ใครที่ชอบขี่จั ก, กรยานหรือว่าสนใจกีฬาปั่นจั ก, กรยานเนี่ยก็คงจะรู้จักนะบาสผู้ชงบาสผู้ชงนี่เป็นนักกีฬาขีจั ก, กรยานทีมชาติติดทีมชาติมาตั้งแต่อายุสิานะยาวมาจนกรทังอายุสามสิบต้นๆ น, น, นะก็เป็นคนที่รักการ อันจักรยาเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจเลยทั้งที่การเป็นนักกีฬาทีมชาตินี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องผ่านการฟิตซ้อมผ่านการเคี้ยวกรัมอยู่กตลอดเวลาเลยเพื่อให้ร่างกายนี fit ้ฟิตสามารถจะแข่งขันได้แต่เขาก็มีความสุขนเะพราะได้ ขี่จักรยานออกไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆแน่นอนนะมันย่อมมีอุบัติเเช่นอุปติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำเนี่ยเขาเราวันเนี่ยเขาเจออุปัติเหตุจากการขี่จักรยานเนี่ยไม่ว่าซ้อมหรือแข่งเนี่ยเป็นพันครั้งแล้วแล้วก็บางครั้งนี่ก็หนักมากนะมาถึงท่านหายปาราหัก หรือว่ากรามเล้านะแก้มฉีกนยะเย็บกันเป็น40เข็มเลยแต่เขาไม่เคยทอนะหรือไม่เคยหันหลังให้กับการขี่จักรยานเลยพร้อมเป็นความสุขของเขาหนะรืว่าเป็นตัวตนของเขาก็ได้เป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาหรือแทบทุกอย่างเลยแต่แล้ววันนึงเนี่ยเมื่อสัก3ปีที่แล้วนี่เขาเจออุบัติเหตุหนักนะลมแล้วก็ไปกระแทกกับินนะ ที่จกรยานด้วยความเร็วแล้วไปกระแทกกับหินนี่มันกไ็ไม่เบาเลยนะบอกว่าซี่โครงทิ่มปอดแล้วก็กระดูกสันหลังเนี่ยหักทับเส้นประสาทซึ่งก็หมายความว่าทำให้เขาเนี่ยพิการตลอดชีวิตนะตั้งแต่ช่วงล่างลงมาเลยนะขาเนี่ยที่มันเคยพาเขาท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ นะด้วยการถิบจั ก, กรยานนี้มันกลายเป็นภาระไปซะละพอไม่สามารถที่จะเดินได้เดี๋ยวว่าจะขี่จักรยานเลยคนที่เคยมีชีวิตจิตใจฝากไว้กับการขี่จักรยานเนี่ยพอขี่จักรยานไม่ได้นี่ยมันมันมนก็ว่าตัวตวนสูญหายไปเลยนะชีวิตนี้มันไม่เหมือนเดิมขี่จักรยานเดียวไม่ได้ ยังไม่เท่าไหรนะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาพิการต้องนั่งรถเข็นแต่ว่าเขาก็พยายามฟื้นฟูร่างกายนะทำกายภาพบาบัดออกกำลังกายนะอย่างเรียกว่าจริงจังมากส่วนหนึ่งก็คงมีความหวังว่ามันจะหาย แต่ตอนหลังขาก็ยังเดินไม่ได้เขาก็ทอนนะมันคิดถึงอดีตที่เคยเดินเหินไปไหนมาไหนได้อดีตที่เคยขี่จักรยานนะไม่ใช่แค่ไปเจ อ, อทิวทัศน์แปลกแปลกใหม่ๆแต่ว่ายังสามารถนำชัยชนะนำเหรียญทองมาให้กับประเทศชาติแล้วก็มีคนชื่นชมยินดีสรรเสริญ ก็มันเป็นสิ่งที่ชุบชูใจนะให้ฟูให้มีกำลังแต่ตอนนี้สูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปหมดเลยพอคิดแบบนี้ก็เป็นทุกข์มากเลยใจมันว น, วนเวียนอยู่กับความสำเร็จและความสุขในอดีตซึ่งทำไม่ได้ในปัจจุบันก็ปรากฏว่าในสุดก็เกิดอาการซึมเศร้านะ พอซึมเศร้านักๆนี่ก็อยากจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวภายในช่วงปีแรกเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ยังปรับตัวปรับใจไม่ได้พขบอกเขามีความคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งพราไม่รมจะอยู่ไปทำไมแล้วก็เคยชี้มันไม่มีความหมายเป็นภาระของผู้คนแถมพ่อที่รวงรักผูกพันก็เสียชีวิตเนี่ยมันเหมือนค้อดซ้ำกรรมซัดนะ แต่เขาบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ช่วยทําให้เขาเนี่ยหลุดออกจากความซึมเศร้าได้ไม่ใช่ยานะเพราะว่ายาเนี่ยทีแรกเนี่ยหมอให้มันก็พอช่วยได้แต่พอกินไปนานๆเนี่ยเขาสวยชีวิตมันเรียกว่าซึมไม่มีชีวิตชีวาเบลอตลอดเวลาเอาแต่นอน รู้สึกว่าไม่ไหวเลยเลิกกินยาแต่สิ่งที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยหายจากโรคซึมเศร้ า, ากลับมาเป็นผู้เป็นคนใหม่เนี่ยเรื่องน้อยเนี่ยไม่ถูกโรคซึมเศร้าเล่นงานเนี่ยเพราะว่าต้นไม้นะต้นไม้ตอนที่เขารู้สึกหอเหี่ยวเนี่ยนะเขาก็สนใจนะ ด่างเนี่ยเขาทุ่มเทกับการปลูกด่างมากแต่ก่อนไม่รู้เรื่องต้นไม้เลยด่างนี่มันเป็นยังไงไม่รู้เลยแล้วเขาทุ่มเทกับการปลูกแล้วก็ดูแลด่างแล้วก็ไม้ชนิดอื่นๆในเวลาไม่นานนะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะเห็นต้นด่างเนี่ยรู้เลยนะว่าอันนี้ด่างชนิดไหน ช่วงแรกนี่เขาบอกเนีเขาใช้เวลาไปกับด่างเนี่ยหรือการปลูกต้นไม้เนี่ย 80-90% ของวันเลยนะซึ่งมันช่วยทำให้เขาลืมนะเรื่องแย่ๆนะไม่เปิดช่องให้ความคิดที่เลวร้วายเนี่ยมันมาเล่นงานเขาเขาบอกหมดเงินไปเยอะนะกับการเล่นด่างเนี่ยแต่ว่าเพอาเป็นคุมนะเพราะว่า มันทำให้ความคิดค่าตัวตายเนี่ยเบาบางไปมากความซึมเศร้าก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่ามันไม่มีเวลาว่างนะจะมาคิดเรื่องที่ทำให้ซึมเศร้าการที่ต้องนะปลูกต้นไมตน้ต้องเข็นด่างต้องเข็นดินถึงแม้ว่าเดินไม่ได้นะแต่ว่าก็ยังสามารถจะเข็นได้นะเพราะเขานั่ง รถเข็นวิลแชนว่าเหนื่อยนะกับการขนดินขนต้นไม้ขนอุปกรณ์การปลูกแต่ว่ามันคุ้มนะมันทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ที่จริงการที่คนเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ในความซึมเศร้าเนี่ยมันเกอะกลุ่มจิตใจได้ยากขึ้น แล้ยิงมาทำอะไรที่มันทำให้เกิดความสดชื่นเบิกบานเนี่ยอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยนะเวลาเห็นต้นไม้มันโตสีเขียวขจีของใบไม้แล้วก็ต้นไม้บางชนิดก็ออกดอกได้ว่ามันให้ความสดชื่นเบิกบานนะมันไม่ใช่แค่ปิดช่องไม่ให้ความคิดลบๆ หรือความรู้สึกลบๆเข้ามาจิตใจแต่มันยังเป็นการเติมความสุขดีๆให้กับจิตใจด้วยเขาบอกว่าเนี่ยที่เขารู้สึกดีขึ้นนะหายจากโรคซึมเศร้าเนี่ยโดยที่ไม่ใชอยา ก, ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะเนี่ยต้นไม้นี่แหละแต่เขาก็ยอมแล้วนะว่ามันก็มีความคิดลบๆอารมณ์แย่ๆผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ มันไม่ใช่ว่าหายไปเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยเขาได้นะก็คือการรู้ทันเขาบอกใจคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งตัวดากับตัวขาวตัวมารกับตัวพระเนะเวลาตัวดำมันโผล่เข้ามาในจิตใจเนี่ยก็จะพยายามเรียกตัวขาวมาช่วยไม่ปล่อยให้ใจมันจมอยู่กับอำนาจของตัวดำเนี่ย เวลาคิดแย่ๆรู้สึกแย่ๆขึ้นมาเนี่ยเาจะรู้ทันเ้าจะได้สติแล้วก็พยายามไปทำอย่างอื่นอยู่ตรงไหนที่มันแย่เขาก็จะรู้จากที่นั้นไปไปทำนั่นทำนี่หรือแม้แต่นั่งรถวิวแชร์ไปชมต้นชมไม้ให้มันหลุดออกไปจากสถานที่หรือภาวะอารมณ์ที่มันย่ำแย่ จะทําัีไได้นี่มันก็ต้องมีสติรู้ทันความคิดนะและอารมณ์นะเพราะคนบางคนเนี่ยพ อ, อมันมีความคิดแย่ๆอารมณ์แย่ๆเนี่ยไม่รู้ทันนะก็ถูกมันครอบงำจนเรียกว่าอมทุกไปเลยหรือดําดิ่งถึงขั้นทําร้ายตัวเองก็มีแต่นี่เขารู้ทันนะพอเขรู้ทันเขาก็ต้องหาทางแก้แล้วด้วยการทํำนั่นทานี่นในการที่คนเป็นโรคซึมเศร้านเนี่ย จะบรรเทาจากโรคนี้ได้เนี่ยการอยู่นิ่งๆ น, นะเอาแต่นั่งๆั่งนอนนอนเนี่ยมันยิ่งทําให้แย่ลงเพราะมันมีแต่ทําให้คิดโน่นคิดนี่หรือไม่แต่อ่านหนังสืออ่านหนังสือมันถึงอ่านไม่ได้หรืออยู่หน้าโทรศรัพท์ก็ยิ่งแย่ข้นไปใหญ่มันต้องลุกออกไปทํานั่นทนํานี่ใช้มือใช้ไม้ใช้ร่างกายออกกําลังกายปลูกต้นไม้นะหรือว่า ไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์เช่นไปเป็นจิตอาสาเงี้ยอย่างบางคนไปเป็นจิตอาสาเนี้ยก็ช่วยได้เยอะเลยแต่ถ้าเอาแต่อยู่นิ่งๆแช่เนี้ยมันก็ดูความถูกความทุกข์ดูดกลืนไปและวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือการปลูกต้นไม้เนี่ยก็มันช่วยได้เยอะเลยตอนนี้เนี่ยบ้าสุชงเขานี้เขาก็ผ่านไปสามปีเขาก็ดีขึ้นนะหลายคนทักเขานี่เขาเหมือนคนใหม่เลย ปีแรกเขาแย่มากแต่ตอนนี้เขายิ้มยิ้มแจ่มใสและแถมยังบอกว่าเนี่ยชีวิตเขามีกําไรนะเพราะว่าเขาได้ได้พบหลายบทบาทได้พบหลายประสบการณ์เป็นทั้งนักกีฬานะเป็นทั้งคนป่วยเป็นทั้งคนพิการเป็นทั้งคนที่มีชื่อเสียงพี่เขาเนี่ยเจอมาหลายบทบาทเจอมาหลายสถานภาพแม้กระทั่งความพิการนี้ก็ทำให้เขามีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ถือ่าเป็นกําไรนะโอ้คิดบวกมากเลยนะในการพิการนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตยับแย่นะแต่ว่าเป็นส่วนที่ทําให้เกิดกําไรชีวิตขึ้นมาคือมีประสบการณ์รับรู้ความรู้สึกของผู้คนที่พิการเหมือนอย่างเขามันก็ทําให้ชีวิตได้เรียนรู้หลายมากขึ้นเขาก็เลยยิ้มยิ้มแจ่มใสได้นะในความทิ่ฆ่ า, าตัวตายตอนนี้ก็เลยหมดไปแล้วมีแต่ว่าการมองไปข้างหน้าและ ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ตอนนี้ก็มาเป็นโค้ดนะโค้ดสอนขี่จักรยานทางออนไลน์นะอันนี้ก็เป็นทางออกที่ทำให้เขาเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมใหม่